เขาอยู่ในตารางในคุกเขาก็ยังมีการสนุกสนานเต้นํำก็ได้ร้องเพลงก็ได้เป็นพระเป็นเนนในาศาสนาไปทำเช็นนั้นไม่ได้อยากกินอะไรซื้อมากินได้ทำกินได้นี่คือพวกนักโทษในตารางแต่พระเนนไม่ได้การกินก็มีกำหนดขอบเขตการพูด การทาก็มีขอบเขตจึงเป็นทุกข์เดือร้อนลำบากหากพิจารณาไปในทางผิดถ้าพิจารณาไปในทางถูกโชคลาบอันใหญ่หลวงไม่มีใครที่จะเหนือไปมีโชคดีเท่ากับนักบวชนักบวชที่สอนตัวดีฝึกตัวดีอบรมตัวดีมีจิตสุข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 จิตใจของท่านสูงจิตใจของท่านดีเด่นเห็นประจักษ์ในการละการถอนวิเลตัญหาอยู่สถานที่ใดไปสถานที่ใดเป็นสุขคโตไม่ก่อกวนความเดือดร้อนแก่ตัวเองและคนอื่นสัตว์อื่นเมื่อเป็นอย่างนี้คนท่านดีศึกษามาสูงตลอดถึงพระราชาก็กราบว่าบูชา เพราะเขาทําไม่ได้เขาจึงกาบายบูชาหากเล้ยวไหลชั่วช้าหาความสงบหาความสุขอะไรไม่มี ท, ท, ทั้งๆที่เป็นนักบวชตัวเองก็สมินิตัวเอ ง, มมเองจะให้เขาเหลื่อมใสเขายินดีเต็มใจอะไรไม่มีท้ายก็ไม่สงบบ้าจ้าก็ไม่สงบจิตก็เชิดวงฝูงไปในทางชั่ว จิริยามรยาทุกอย่างหาทางสงบสวยงามไม่ได้ใครอยากจะตราบจะว่าใครต้องการคนไม่ดีไม่งามอย่างนั้นไม่มีใครต้องการตัวของตัวเองก็องอยังเดือดร้อนจึงควรแนะควรสอนควรที่นี้พิเจอนศะึกษาจะทำบำเพ็ญคุณงามความดีพิจารณาสติปัฏฐานพิจารณากายของตัว กายสัตย์ตีวอากายไม่ใช่ยญิงไม่ใช่้ายไม่ใช่สัตวบุคคลตัวตนเราเขาเราเข้าใจจริงหรือไม่หรือได้แต่งใจตำราท่านเขียนเอาไว้ถ้าหารู้เห็นเป็นจริงอย่างนั้นความกำนังเพลิดเพลินความรุ่มหลงมันไม่มีเพราะเหตุใดเพราะสัตย์เตีวอากาเท่านั้นมันไม่มีความจริงจะมีหญิงมีชาย สัตว์มีบุคคลมาจากไหนผมก็ยังว่าผมขนก็ยังว่าขนเล็บฟันก็ยังว่าเล็บบาฟันสมมติให้แยกออกไปมันมีนอะไรสัตว์างกายถ้าพิจารณาเป็นถาด ท, ทั้งสี่ยิม น, น้ำไฟลมมันก็เป็นอย่างนั้นที่ประกอบกันอยู่เข้าใจตามเป็นจริงไม่มีหญิงมีชายมีสัตว์มีบุคคลมันจะได้กำหนัดรลุ่มหลงเพลิเพลินมัวเมาอย่างไร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 พอเหตุใดเพราะขาดการที่นิพพยานะขาดการปฏิบัติเมื่อเรามาบวชอยู่ในที่สงบสงัดพอสมควรไม่มีการงานอะไรยุ่งทางกายทางใจให้เริ่มที่นิพพยานะาให้เริ่มสัมฤทธิ์สะสมใจของตัวเพราะก่อนข้องทำแท้ๆเรื่องของการพิจรารณาแยบคายเท่าไหร่จะมีทางละถอนปล่อยวางไฟถอนนั้นถ้าพิจรารณาในทางอัดทางทำ ถ้าพิจารณาทางโลกก็จีดข้องลุ่มหลง เ, เพื่อเพลินมัวเมาเศ้าหมองผลที่สุดความคิดของตัวนั่นแหละเผาตัวของตัวสร้างหารตัวของตัวให้อยู่ในที่สุขที่ส ง, งบไม่ได้เพราะอำนาจของกิเลสตัณหาผักดันอยู่ในวัดในวาอยู่ไม่ได้อยู่ในที่ส ง, งบสงัดไม่ได้ตาไม่เห็นไม่สนุกไม่สบายหูไม่ได้ยินไม่สบาย คือใจมันปรุงไปคิดไปในทางต่ำทางเสียแต่จึงหักห้ามให้มีสติให้มีปัญญารักษาตัวของตัวเองคือรักษาจิตไม่ให้คิดไปในทางต่ำทางเสียอย่างนั้นสติปัญญาจึงเป็นสันเเลขาทำสําหรับกําจัดขัดเกลื่องยิเอียดปัญหาขัดเปล่อใจของตัว ที่ตามอขุนมัวให้สะอาดที่ชั่วที่เสียให้ดีที่ฝุ่งตรงให้สงบจิงควรทุกคนที่เป็นนักบวชจะสนใจนำไปกำหนดที่นี้ที่จะรด้นะเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบททุกสิ่งทุกอย่างเป็นโอปะณยโกสามารถน้อมมาที่นี้ที่แจรนะเพื่อทับไล่กิเลสตัณหาของตัวได้ใจ มันก็มีอยู่เวทนาสุขทุกข์เฉยๆมันก็มีอยู่ในใ่มันไม่มีพระพุทธเจ้าพิจารณาของมีอยู่รูปของมีอยู่กําหนดของมีอยู่จิตที่เชิดตรงต่างๆก็มีอยู่ทำแต่เป็นอกุศลหรือกุศลมันก็มีอยู่มันไม่ใช่มันไม่มีแต่ละท่านแต่ละคนมันมีสมบูรณ์แต่ไม่มีความสลาด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 แดดออกก็แพดเผาหาความสุขความสบายไหนด่ะแต่คนที่มีปัญญาถึงไม่ได้เกิดในป่าเขาก็สแสวงหาห่างไกลขนาดไหนจะเห็นว่าเมือ่อหามาได้มาทำเป็นบานเป็นส่องถึงจะเหนื่อยยากลำบากในการกระทำแต่คุณข่ามันมีฝนตกฝนลงก็จะได้พึ่งพาอาศัยลมมาก็จะได้จิตบ้าง แดดมากก็จะไม่แสบเผาเขาเห็นประโยชน์อย่างนั้นถึงจะเหน็ดเหนื่อยลำบากอยากเย็นหรือหมดเข้าของเงินทองไปบ้างเขาก็สร้างที่อยู่ที่อาศัยเพราะเป็นเรื่องจำเป็นเมื่อสร้างขึ้นก็มีความสุขเป็นเครื่องตอบสนองพระพุทธเจ้า ห, หรืออริยะเจ้าท่านก่ททานองนั้นท่านสร้างใจของท่านให้มีสาระให้มีหลักยึดให้มีอัตมีธรรม ด้วยการที่นิจารณาของมีอยู่พิจเจนากายพิจเจนาเวทน า, าจิตทำซึ่งพวกเราท่านทุกคนมีข้อมูลบริบูรณ์เราจะเอาที่ไหนความสุขของใจเราจะทําอย่างไรจึงจะสงบเพือจะให้ล่อยให้มันลอยไปตามลมอยู่อย่างนั้นพอเราปล่อยมาแล้วไม่ทราบว่าจีเดือนกี่ปีแล้วความสุข ที่เราต้องการปรารถนามันมีหรือยังเกิดหรือยังสมบูรณ์หรือยังเพียงพอหรือยังถ้าหากมันไม่สมบูรณ์ไม่เพียงพอจะรอเวลาไหนวอตายแล้วจึงจะทํามั่นที่นี้พี่เจนะแนะสอนตัวข้องตัวพอเราบวชมาศึกษาบวชมาขัดเปล่าจิเลตัญหาบวชมาฝึกอบรมตัวไม่ใช่บวชมากินเข้าสุปากป่าตายแถานั้นหาใจาความสุก ข, ของกาย ใจจะวุ่นวายขนาดไหนมาได้ที่นี้พี่เจนะนักบวแบบนั้นใช่ไหมได้ต้องบวชมาฝึกมาอารมกายใจของตัวและชั่วมันเพนดีตัวของตัวก็มีความสุขความสงบแต่ตัวของตัวไม่มีความสุขความสงบไปสอนคนอื่นให้สุขให้สงบมันก็สอนยากหากเขารู้เขาเห็นเขาเป็นภายในเขามาศึกษาเขา ไม่ทาบว่าจะเอาอะไรไปสอนเขาทัางทั้งที่เราเป็นครูเป็นอาจารย์เข้ากล่าบเพราะว่าแต่ไันมีคุณงความดีอะไรอาจทําภายในใจไม่มีไม่ละอายเขาหรือตักเตือนตัวเองสอนตัวเองสม่ําเสมอจะมีความขยันมันเพียนขึ้นไม่ระวังรักษาตัวเองปล่อยให้แต่อารมณ์สัญยาเกิดอยู่บ่อยๆคิดไปบ่อยบ่อยปรงไปบ่อยๆในทางชั่วทางเสียมันก็อยู่ไม่ได้ เขาบอกคนไม่มีบุญคนไม่มีบุญกินของคิดไม่ได้เสวยของคิดไม่ได้เทวดาบุตรเทวาดาผู้มีบุญในกินของคิดในอยู่ปราสาทนิมานคิดหนุ่งห่มของคิดเิกสุสามะาเนีนผู้ประพฤติปฏิบัติในทางศาสนาผู้มีจิตสงบเยือกเย็นดับจีริตันหาท่านอยู่สบาย ทันได้ของคิดทางจิตท่านก็มีธรรมหล่อเลี้ยงไม่มีการเลือร้อนคุณเคียงหุ่นวายทางกายของท่านก็อยู่สงบนี่คือของคิดเขาหามาให้ไม่ว่าอาหารการฉันไม่ว่าเครื่องนุ่งเครื่องห่มต่างๆเพราะอำนาจเขาเห็นแล้ว น่าเลื่อมใสทำอะไรลงไปคงจะเกิดบุญเกิดกุศลแจกเขาเขาถือว่าพระเจ้าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกคือพระเจ้าพระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติ ด, ดีเริ่มจากสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติ ด, ดีอุสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติตองญายะปฏิบัติเป็นธรรมสาเนจิชอบยิ่งทางกายก็ดีวาจาก็าดีใจ ก, ก็ดี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 สมมุติใจไม่ของจิตยิดสุงในทางสั่วทางเสียต่างๆไม่มีอะไรที่จะไปก่อกวนหายใจของท่านเดือดร้อนวุ่นวายพระพุทธเจ้าท้าวท่านบริสุทธิ์อย่างไรท่านทราบภายในใจถึงพระพุทธเจ้าจะบริสิพนี้า น, านานไป2อง0ันหากว่าปีหรือจะหมื่นปีแสนปีล้านปีกวต่างความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเหนนั้น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 เป็นปัจเจตตังเฉพาะตัวอยู่อย่างนั้นดังนั้นพวกเราท่านทีน่มีโชคดีได้มาบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นนักปฏิบัติเพิ่งศึกษาเพิ่งตั้งหน้าจะทำบำเพ็ญทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ละจากคระว่าสถานที่ไม่ใช่บ้านเรือนเขาเรียกว่าวัดกติฤหันผ่ากรเหมือนผ่าเขาทุกสิ่งทุกอย่างเราแตกต่างจากเข า, าีีษะผมที่เขาถือว่า สวยหรืองามแต่งช่งนั้นชงนี้แล้วก็โกนที่งหนวดเล็บตัดถ้าพื้นใหญ่ๆก็มาตัดเป็นสบงจีวอนไม่ดีนุ่งทั้งพื้นอย่างเขาทั้งท้าทีโลดเขาหัวแขนไปตัดไปแย็บมันไม่น่าดูนี่เราตัดเราแย็กเพื่อจะให้พวกโจรมันจ้องมันมองมันเอาไปขายหลายง่ายดด้ พอผ่าที่ตันแล้วด้วย่อมแล้วขายยาก <c oughs> อขาดข้าวข้าวเณรเป็นอย่างนั้นเครื่องนุ่งเครื่องห่มที่อยู่ที่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างคิดแตกกจัางจากคะลุหักท่านเชง่ไหมระลึกนึกว่าเราเป็นบรรพชิตคิดอยู่สม่ำเสมออย่าไปคิดออกไปจากเขตของสมัย น, นะเขตของบรรพชิตเมื่อเราคิดได้เมื่อเราเป็นพระเป็นเนนเป็นบรรพชิตหน้าที่ของเราที่จะควรต้องปฏิบัติ ที่จะทำที่จะพูดเราก็ระวังได้เพราะใจรู้ใจเห็นแต่เราเป็นภาพเป็นเงินที่มันเถอมันตรงไปหลวงพ่อไม่ได้คิดประเพียรตองตัวเป็นอย่างไรไม่ละอายแต่เราคิดไปอย่างนั้นมันผิดมันถูกอย่างไรขาดมิริ <c oughs> ความละอายใจใจอดตะพาความกลัวมาปกรรมชั่วต่างๆทางปฏิบัติถานเจีงสอนยนโทมา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 ให้ลาถอนจีเลตันหานั่นแหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าปรารถนาของนักบวชไม่ต้องไปสั่งอันอื่นหนักหน า, นาให้ลำบากลำคานสั่งใจของตัวให้ดีให้วิเศษและสิ่งอื่นจะลอยตามมาลาบจักละหรือสิ่งต่างๆพอเขาสนใจที่จะสนับสนุนคนดีมีอยู่ไม่ว่าสมัยพุทธกาลหรือปัจจุบัน ถาหากท่านองค์นั้นท่านผู้นั้นประพฤติปฏิบัติดีแล้วหมดอยากแล้วคนเคารพเขาเรื่อมใสเพราะตัวของท่านเองท่านก็เห็นความดีความเด็ดของท่านถึงจะอดอยากลําบากยากจนทางสมบัติหายน่อยแต่ จ, จิตใจท่านก็สมบูรณ์สะดวกสบายไม่วุ่นวายอยากอันนั้นอยากอั น, นความพอดีของใจมันมีแล้วคือความรู้ความเห็นในอดในธรรม นักบวชทุกคนจึงควรสนใจและสอนตัวฝึกอบรมประพฤติปฏิบัติไม่มีอะไรที่จะดีเยี่ยมกว่าการประพฤตปฏิบัติและเป็นหน้าที่ของพวกเรานักบวชโดยเฉพาะจึงควร ท, ที่แกติเนะควรศึกษาควรปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เกิดให้เป็นและจะเป็นสุขคติอยู่ก็สบายไปก็สบายตายก็สบาย สบายอย่างไรจะค้าบภายในใจของตัวทำําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัยต่างที่ทุกท่านจะต้องเห็นโดยตนเองอย่างนั้นพยายามจะทำพยายามบำเพ็ญทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดจะเป็นขึ้นได้เพราะทํามหมั่นความใยยัร่จะทำถึงมีน้อยก็จะมากขึ้นเพราะหามาเพิ่มเติมบ่อย สิใจที่จะมีอาจมีทําได้ก็เพราะอาศัยการกระทําทบําเพ็ญเรื่อยๆไปสติก้าปัญญาคมเรื่อยๆพอเราฝึกเราปฏิบัติสิ่งที่เป็นข้าศึกใจจิตใจใจควจะกลัวไม่มีโอกาสเวลาจะม า, าเชิญหน้าพวกเราอีกพอมันกลัวกูมีอาจมีทำเรื่องที่เดือดร้นหา จงพากันนําไปที่นิพิจนาศึกษาแล้วพิสูจปฏิบัติเพราเป็นหน้าที่ครอบครัวเราท่านทุกคนาทุกคนสนใจหาทุกคนสำเพอปฏิบัติอย่างนั้นทำสุขทำสบายต้องเป็นใจชั่นคนอื่นจะมาแบ่งเอาจากเราไปส่วของเราฝึกฝึกฝปฏิบัติมีอาจมีธรรมะเท่าไหรก็ไม่หนักกายหนักใจไม่ต้องห า, าหาชนะอันอื่นมาหลาดเห็นอยู่ในโลก ะบายตายไปก่นสะดวกมือ น, นิสงส์ของการต้องพึ่งปฏิบัติธรรมฉะนั้นจงพากันที่น้พิเนะลงมือแตทำมทททัําเพนการอธิบายธรรมะผมเห็นว่าพอสมควรสีเวลาเออง